Book 2 4สี่สิบห้าที่โรงหนงัง n นซินเเเาเราอยากไปดูหนงังโนซ์เเครเมสซินเาวันนี้มีหนังดีฉาย หนังเรื่องนี้เข้าใหม่โอ้ฟิล์ completely new ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะวันเด็กอย่างมีที่นั่งว่างอีกไหมคยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะยังมีที่ น, นั่งางอีกไหมคะยังมีที่นั่งาเท่าไห่คะยังที่นั่งว่งอีกไหมคะ หนังเริ่มกี่โมงคะหนังฉายกี่ชั่วโมงคะจ้องตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะดิฉันต้องการนั่งข้างหลังเดี๋ยวฉันต้องการนั่งข้างหน้า Eu quero sentar-me à frente. e u q u e r o que sentar-me no meio. O filme foi emocionante. O filme não foi aborrecido. Mas o livro do filme foi melhor. ดนตรีเป็นอย่างไรนักแสดงเป็นอย่างไรคุณมีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหังกกรุณาไปที่ www.booktwo.de